พกตระหัตุสัมมาสัมปัสสะนโมุตตะสะปกตุระหโตสัมมาสัมปัสสะนโมตตะสะปโตระหโตสัมมาสัมปัสสะขอรบบรมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอรบ้อมพระธรรมพระอริยสงฆ์และพระเดชพระคุณผู้เป็นอาจารย์ ข อ, อนามสการพระเทรานุเทระผู้มีภรษายุการและอจิมายุการจรเิญพรสำเนินและญาโยมบาสุกบาสกาวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่มีโอกาสได้มาประรบ ธ, ธรรมธรรมะ ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาสเพห์ธรรมนานัตตาสเพห์ธรรมานารังพินิเวสายะธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ควรเป็นอนาลโยไม่มีความอะไรในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงหมายถึงรูปประธรรมและนามธรรมอิกทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดนั่นบุคคล ผู้จะเป็นอนาลโยต่อธรรมทั้งปวงคือไม่มีความอะไรไม่มีความอะไรหมายถึงสามารถอยู่กับธรรมทั้งปวงอย่างไม่ถูกกัดที่ไม่ถูกกัดเพราะว่ารู้ธรรมชาติของมัน เข้าใจมันถูกปฏิบัติต่อมันได้ถูกตามธรรมชาติของธรรมนั้นรู้ธรรมชาติว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตา <c oughs> นี่การที่เราจะรู้ันต้องมีสติอย่างรู้ การรู้ใดที่ไม่ประกอบด้วยสติไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่แทรกด้วยโมหะเพราะว่าความไร้สติลืมตัวโมหะ ม, มีโมหะแทรกอยู่ รู้ไปก็รู้ท่วมหัวตัวไม่รอดฉะนั้นพ ร, พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่นเสริญการเจริญสติให้มีให้ภิกษุผู้บวชในธรรมนี้ลายนี้ <c oughs> มีความเพียรมีสัมมชัญญะมีสติ พึงเห็นธรรมในธรรมอยู่ <c oughs> เห็นธรรมในธรรมเพื่อจะล่วงรู้ความเป็นจริงของธรรมอันนี้คำว่าฐานธรรมในธรรมมันตั้งอยู่ที่ไหนฐานที่ตั้งแห่งสติของฐานธรรมในธรรมอยู่ที่ไหน <c oughs> ก็อยู่ที่ฐานกายในกายฐานเวทนาในเวทนาแล้วก็ฐานจิตในจิตฐานธรรมในธรรมนี่จะแทรกอยู่ในกายในกายเวทนาในเวทนา <c oughs> จิตในจิตเมื่อพระโยคาวจร ผู้ประพฤติในมหาสติปัฏฐานเจริญฟั่นเฟืออบรมจนมีสติแก่กล้าปัญญาแก่กล้าอุปาทานที่ยึดมั่นอย่างรุนแรงที่กายในกายเวทนาในเวทนาและจิตในจิต จะเบาบางลงย่อมจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือธรรมะมีสภาพเกิดขึ้นจั้งอยู่ดับไปธรรมะตัวเนี้ที่เราจะต้องเป็นก็คือธรรมะ ใ, ใดๆก็ตาม ที่เกิดขึ้นที่กายยาวาหนาคือกว้างกรรมมาพร้อมด้วยสัญญาและใจธรรมะมวแรกที่เราจะยังรู้ <c oughs> ก็คือกิเลส <c oughs> กิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่ เกิดขึ้นในจิตแล้วทำให้จิตเศร้าหมองอันนี้คือกิเลสอันนี้พโยขาวจรผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญสติให้มีความรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราจะจัดการกับกิเลสยังไง เบื้องต้นกิเลสที่ปรากฏแก่สติย่อมจะเป็นปัญหากิเลสที่เกิดขึ้นย่อมจะเป็นปัญหาแก่พยคาวจรย่อมจะเกิดโทมนัสเกิดความทุกข์เมื่อกิเลสเกิด อยากจะให้จิตตัวเองปราศจากกิเลสแต่ว่ากิเลสก็ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดกิเลสก็เกิดไม่เหตุปัจจัยนั้นดับกิเลสก็ดับกิเลสก็คือสิ่งเกิดดับรวมลงก็คือ ความที่ยินดียินร้ายขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องโพธภพใจกระทบธรรมอารมณ์ <c oughs> เมื่อเกิดความยินดียินร้ายขึ้นนั่นคือกิเลส ความยินดีก็คือราคะความยินร้ายก็คือโทสะความไม่ร่วงรู้เท่าทันความจริงจนปล่อยให้ราคะและโทสะเกิดนั่นคือโมหะความหลงความไม่แจ่มแจ้งไม่สามารถควบคุม อาการแสดงออกในจิตของเราต่อสิ่งเล่าที่มากระทบตามทวารทั้งหกความจริงสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงรูปที่มากระทบตาก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่มารับทางตาก็ไม่เที่ยง ความยินดียินร้ายที่เกิดขณะรูปกระทบตาก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลเจริญสติตั้งมั่นอยู่ในรมปัจจุบันและทราบซึ้งแจ่มแจ้งถึงความไม่เที่ยง สิ่งทั้งปวงก็จะสักแต่ว่าสักแต่ว่าเกิดสักแต่ว่าดับสักแต่ว่ายินดีสักแต่ว่ายินร้ายอันนี้คือบรรลุผลที่พระผู้มีพระเจ้าต้องการนั่นคือจุดที่ท่านต้องการก็คือ เมื่อเรามีสติ <c oughs> เห็นธรรมในธรรมอยู่ <c oughs> มีปัญญาแจ่มแจ้ง <c oughs> เห็นความไม่เที่ยง <c oughs> เป็นทุกข์เป็นอัตตาย่อมเกิดยานที่จะละยานที่จะละคือมีสติ เห็นว่าทามีอยู่ก็สักแต่ว่าสติย่อมแจ่มแจ้งก็หรือสักทำที่เกิดขึ้นก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นธรรมะที่ดับไปก็สักแต่ว่าดับไป หรือสติวะธรร ม, มีอยู่เข้าไปตั้งเฉพาะหน้าแก่เธอนั้นสักแต่เพียงว่าอาศัยรู้อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วย <c oughs> นี่สติและปัญญาจะให้เราสิ่งที่เราต้องการในภาคปฏิบัติ ก็คือความดับทุกข์อันนี้ความทุกข์เนี่ยมันมีกิเลสเป็นต้นเหตุกิเลสก็คือความยินดียินร้ายนั่นจึงจำเป็นที่เราจำเป็นจะต้องฝันฝืออบรมสติ ของเราให้มีความมั่นคงเมื่อสติมั่นคงปัญญาย่อมเกิดได้ปัญญาที่เกิดจะต้องเป็นปัญญาในปัจจุบันขณะจึงจะละอารมณ์ได้ปัญญาในจุปัจจุบันขณะหมายความว่าต้องถึงถึงพร้อมด้วยสติ สติต้องคมต้องมีฐานรองรับเพราะว่าสติจะคมได้ต้องมีฐานที่ตั้งแห่งสติคือฐานนันเป็นที่ตั้งแห่งสติคือฐานใดก็ตามที่เรามีความชานาญที่ช่วยให้สติเรา มั่นคงแข็งแรงเข้มแข็งคมฐานนั้นเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยอย่างนี้ประเดศประคุณท่านสอนให้ยกมือหรือเดินจงกรมเป็นการรับสติให้คม <c oughs> สติจำเป็นในที่ทั้งปวง ที่เราจะละอารมณ์อยู่ในโลกอย่างอนารโยไม่อะไรไม่ติดข้องอยู่ยังไม่ติดข้องก็คือไม่ยินดียิน้ายต่อโลกสักว่าทุ่อาการที่มากระทบสักว่ากระทบ <c oughs> ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ลด <c oughs> กายถูกต้องพรทธะใจกระทบธรรมลม <c oughs> อย่าให้อย่าปล่อยให้จิตฟุ้งแต่ง <c oughs> ไปในทางที่ว่าจะมีตัวเราของเรามีการยึดครองของอัศมิมาณนะ ขณะที่กระทบอารมณ์เน่ยถ้าเ ร, เรามีตัวยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยความหิวก็เกิดจิตหิวเมื่อจิตหิวขึ้นมาก็จะเกิดอุปาทานยึดมั่นว่าไอ้สิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบเราจะต้องผลขวายแสวงหา สิ่งที่เราชอบด้วยวิธีการใดหรือเราจะต้องขนฝายหนีสิ่งที่เราไม่ชอบโดวยวิธีการใดอุปรธานย่อมเกิดเพราะนั้นพึงเจริญสติให้มั่นคงให้เต็มรอบ เพื่อความไม่ประมาทบุคคลผู้ประมาทก็คือผู้ที่ตายแล้วตายจากโลกุตรธรรมคําที่พ้นโลกความพ้นโลกเนี่ยไม่ใช่พ้นที่ไหนพ้นที่อายตนะเนี่ย ขณะกระทบอารมณ์ <c oughs> เราจะส่งจิตไปที่ไหนก็ไม่ได้เราจะต้องส่งเราต้องกำหนดสติเอาไว้ที่กายาวานาคืบของเราเนี่ยราจะให้สติเราคมพร้อมที่จะรับอารมณ์ตามทวารทั้งหก ถ้าปล่อยสติไปที่อื่นปล่อยไปไหนก็ตามคิดว่าจะออกนอกโลกด้วยการส่งจิตไปเนี่ยผิดหละผิดแหล ะ, ละเราจะพ้นโลกนี่ต้องพ้นที่กายที่กายยาวานาคืบของเราเนี่ยเร <c oughs> าสติกำหนดที่กายยาวานาคืบของเราให้ดี ปูปลาทานขันนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ความยึดมั่นจิตที่มายึดมั่นในกายในรู ป, ประขันในกายาเป็นเราเป็นของเราเปความเดือดร้อนเป็นความทุกข์เข็นจิตที่มายึดมั่นในเวทนาเนี่ย ความสุขทุกเบเกขาว่าเป็นเราเป็นของเราขณะเสวยความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามความไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นผู้เสวยมันไม่หยุดแค่เวทนา หลังจากเวทนาก็จะเป็นตัณหาตัณหาสามก็คืออยากให้มาอยากให้อยู่อยากให้ไปขณะเราเสวยสุขเวทนาเนี่ยเราจะอยากให้สุขเวนั้นก็สุขเวทนานั้นก็ตาม สิ่งที่มาทำให้เราเกิดสุขเวทนาก็ตามตัวเราที่รู้สึกว่ามีตัวเราเป็นผู้สวยสุขเวทนานั้นก็ตามเราจะมีความคิดว่าอยากให้สิ่งเหล่านี้ยอยู่ยงคงทนไปหมื่นปีแสนปีความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ผิดธรรมชาติ ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงความคิดที่สวนทางกับคำว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยเป็นความเจ็บปวดเดือดร้อนอย่างแสนระหัสของผู้คิดนั่นเองเป็นความคิดผิดหวังผิดเมื่อหวังผิดก็ผิดหวัง คนะที่สเสวยทุกขเวนาเราเรามีอุปาทานในทุกขเวนาเราไม่สามารถมีสติอย่างรู้ในทุกขเวนาว่าทุกขเวนานียสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีตัวเราเป็นผู้เสวยทุกข์ถ้าสติเราไม่ทันมันก็เกิดวิภาวะตัณหาอยากให้ไปอยากให้ไปความรุ่มร้อนกวนกระวายของจิตก็เกิดขึ้น เพราะไม่เข้าใจสภาพความจริงว่าทุกขเวทนาก็ตามสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาก็ตามตัวของบุคคลผู้สวยทุกขเวทนาก็ตามไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขณะที่กระทบอารมณ์ ขณะที่กระทบอารมณ์ตามสวา์ทั้งหกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดอันนี้สติไม่ทันไม่สามารถยังรูไ้ไม่สามารถแยกอุปาทานออกมาจากเวหนาได้ดัะนั้นจึงเกิดทุกข์ทุกซ้ำสองเข้าไปอีก ผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปรียบบุคคลผู้มีอุปาทานในทุกเวทนาว่าคือบุคคลที่ถูกสอนยิงดอกแรกแล้วก็ถูกสอนดอกที่สองยิงซ้ำเข้าไปอี <c oughs> เพราะาไม่เข้าใจความจริง ไม่เข้าใจความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมเป็นสิ่งที่ผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทางสิ้น <c oughs> ไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมอารมณ์ขณะหนึ่งเวทนาขณะหนึ่ง ตัวเสวยขณะที่เรารู้ถึงความสุขความทุกข์อันนี้เราต้องมีสติอย่างรู้ให้ดีเมื่อมีสติอย่างรู้ในเวนาเห็นแจ้งซึ่งความทุกข์เห็นโทษเห็นโทษในตัวเสวย เห็นโทษที่จะเข้าไปกอดรัทอันนี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายที่จะเสวยสุขภาวนามอเกิดปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษก็จะเกิดความเบื่อหน่ายที่จะไปเสวยสุขภาวนาเกิดความเบื่อหน่ายระดับหนึ่ง ก็จะสามารถปล่อยวางได้ขนะหนึ่งเกิดอุเบกขาเกิดอุเบกขาไม่ยินดีที่จะเข้าไปเสวยผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อสติละเอียดขึ้นจะเห็น อุเบกขาเวทนาะอุเบกขาเวทนาก็คือขณะที่เราปล่อยวางได้อันเนี้ยเราก็ต้องระวังให้ดีแม้แต่อุเบกขาเวหนาะก็สามารถขุดหลุมล่อเราได้ ต้องระวังให้ดีเราไม่ไม่มีสติต่อเนื่องตั้งอยู่ในฐานสติก็จะตกฐานเนะ่ตกฐานยังไงอะตกฐานเข้าไปจับเบรขาวเฮนาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาอีกอะ รู้สึกดีใจภูมิใจว่าโอ้โหหน้าดีใจละเกินหน้าภูมิใจละเกินเราสามารถปฏิบัติธรรมจนปล่อยละวางเวหาได้ <c oughs> ละวางสุขละวางทุกข์ได้เมื่อเรา เอาจิตเข้าไปยึดมั่นในอุเบกขาเวทนา <c oughs> มันจะเกิดความดีใจภูมิใจเย่อยิ่งถือดีปีติรู้สึกยกตนข่มผู้อื่นคนอื่นไม่ได้ดีอย่างเราอันนี้คือหลุมพาง หลุมพางเหล่านี้ก็คือแสดงปริมาณความโง่เขลาของผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังเหลืออยู่เราต้องอยังรู้ให้ดีเพราะว่าเมื่อเราเกิดความยึดมั่นยินดีเพลิดเพิน ภูมิใจเยื่อยิงถือดียกตนข่มผู้อื่นว่าเราปล่อยวางได้ขณะนั้นปล่อยวางไม่ได้ซะแล้วแต่ว่าถ้าเราสติไม่ทันเนี่ยถ้าสติเราไม่ทันเนี่ย เราไม่มีปัจจุบันอารมณ์เป็นที่ตั้งเนี่ยเราก็จะเอาอารมณ์อดีตมาเป็นที่ตั้ง <c oughs> อารมณ์อดีตคืออารมณ์ที่เราปล่อยวางได้ <c oughs> ซึ่งมันเป็นอดีตแล้วมันไม่มีอยู่แล้วอดีตก็ดับไปแล้วขณะ น, นี้จิตปล่อยวางไม่ได้ไแล้ว อันเนี้ยถ้าบุคคลผู้นั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่บ้างก็จะเห็นโทษของตัวเองได้เร็วว่าจะรู้สึกว่าขณะนั้นเนี่ยจิตเราเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วจิตเราไม่ใช่ตัวอุเบกขาแล้ว จิตเราไม่สงบแล้วต้องกลับมาข้าเข่งฝึกฝนปฏิบัติเมื่อคืนเอาตัวเบคขานั้นกลับมาแต่ถ้าหากบุคคลผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่มีความอ่อนน้อมทำตัว อยู่ในจิตบ้างเลยเนี่ยจิตจะคุ้นเคยที่จะฮึกเหิมลำพองยกตนข่มผู้อื่นด้วยสิ่งที่มันดับไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะขนาดนั้นเนี่ย บุคคลพ้นเนื้อคู่นั้นเนี่ยปล่อยวางไม่ได้เสแล้วแต่เพราะความที่สติไม่คมไม่สามารถยังรู้ในปัจจุบันอารมณ์ไม่สามารถยังทราบสภาวะจิตตัวเองในปัจจุบันขณะว่าตอนนี้จิตเราฟุ้งซ่านจิตเราปล่อยวางไม่ได้ จิตเราประกอบด้วยความลำพองอย่างแรงอันนี้บุคคลเพื่อนั้นจะเดือดร้อนมากจะเดือดร้อนมากเมื่อความจริงไม่ยอมเป็นไปตามความปรุงแต่งความหลงผิดของตัวเอง ความจริงขณะนั้นก็คือจิตฟุ้งซ่านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฐานที่ตั้ง